ปฏิบัตินี้มันเป็นอีกอย่างนะครับไอการพูดปัญญาเลยผมว่าทุกอย่นี้พอสี่ขันไม่เข้าใจนะครับทีนี้ว่าถ้าต่อมาก็เป็นสามขันหลวงพ่มาถึงสึงสิกขามาที่สิกขาสิกขาปัญญาสิกขาก็เป็นสามขันสามขันครับผมตอนนี้มันก็มันไม่ไม่ยึดแล้วนค่ครับผมแล้วหลังจากนั้นมา เป็นขันเดียวขันเดียวก็ได้สองขันเลยแล้วตอนจะบรรยายนไปตัวนั้นเวลาปฏิบัตินะครับพอมาถึงปฏิบัติขันท้าปั่นความรู้สึกในในความรู้สึกนะครับมันก็ต้องไปตามขั้นตอนเพราะว่าขันนี่มันไม่ยึดถ้าหากจะพูดถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้า่านนำมาสอนจริงๆมันหมดมันหลุดหมดเหมือนกับที่วายหลวงพ่อเคยพูดอย่างที่เราพูดเอา รู้อย่างไม่รู้ให้อันรูปแบบเนี่ยเอาสตางค์ลงไปทุดเรียนมันมันคายไปเลยมันไม่มีขันแต่มันมีขันมีขันถ้ามีขันเนี่ยมันมันไม่มีขันมันลวกไปแต่มันมีขันมันรู้สิ่งที่รู้เขาเรียกวิญญาณขันเนี่ยอันรู้น่ะวิญญาณขันแต่มันไม่มีขันมันมีวิญญาณขันไม่มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันขันมันมีแต่มันไม่มีขัน มันมีรูปแต่มันไม่มียึดมันไม่ได้ยึดไขมันไม่ได้ยึดขันขันเข้าไปยึดเป็นขันเวิญญาณวิญญาณแต่วาน้แต่เขาไม่ได้ว่าวิญญาณขันวะวิญญาณทำไมเท่งวิญญาณขันตัวขันมันมีแต่ไม่มีวิญญาณขันขันเปโวานุถ้าไม่มีขันกั็มีวิญญาณเขามีรูปจะไม่มีขันรูปมันมีอยู่นี่ขันรูปกู้เนี่ยมีขัดเวทนาขันเวทนาโอ้กู้โอ้กูสุขนี่ยเขาไม่เวทนาใสๆมันไม่มี เข้าใจนะมนี่เน mm ี่ยขันมันยึดไม่มีขันมันไม่ยึดขันมีขันมันไม่มีขันมันไม่พกกคือมาขันเดียวนะขันเดียวคือมันไม่มีมันจะพุ่ไปร้อยอันทันนะก็เข้ามาทางนมันก็ยังที่จะในขันเดียวนั้นก็ที่ในขันเดียวนั้นขันยึดตัวนี้อตัวยึดนี่แหละคือขันปล่อยขันยึดแต่แบบเป็นอันว่าไม่มีขันเดียวมีขันเดียวขันรู้นั่น ต่อจากนี้แล้วการเกิดดับมันจะเกิดขึ้นดอรัอาการกระดับอาการเกิดดับพอไดบรรดปั๊บอาการกระดับกนลวก็ดับแล้วก็หดเลยหมต่เราไปเข้าดักที่หลวงพ่อรู้เรื่องนี้คือหลวง่อไม่เคยรู้อย่างเราดูคนชิดดูมันไม่ยึดมไหลเข้าไวเข้ามนชิดเผ่านไปมันไม่ยึดผ่านแล้วก็มท่วงขาดไปเหมือนกับ อาลูกแกนเจาะเข้าไปในรูน่ะที่เข้าไปมันไข่คนเดียวเพราะดิไข่คนเดียวสภาพอาการเสดันกระดูกออกจกันอยู่้วกันไม่ติดกันมันขาดกันแล้วเขาเรียกว่าอายัดนนะเห็นอย่าให้มันไปขวับเป็นหญิงเป็นชายเป็นสวยอย่างมันไม่มีขันเลมันก็จะไปยึดถึงแต่วมันไม่มีขันแต่มันมีขันมันมีนิ้วกระดูมันจอาการกดับกระดกอาการกระดับอาการกระดับหมายถึงขาดนั่นเองไม่ใช่อาการกระดับมันคิดหรือคืออันนั้นมันอาการกระดับของไตเนาะ คือมันขาดเมื่อใดนั้นอาการคุดับนี่มันขาดมันจะเม็นระบบง้นกับสืกใดรนลอดเอาไปจุดตรงการนะมจุดตรไม่โดยคนทางกันเลยนันอเมติกันไม่ถึงกันเลยอันนั้นอาการคุดดับในทางพระพุทธศาสนาเมื่อพ่อเคยคุณสมัยน้นผมอยาเอามือดึเข้ามาเนี่ยมันขอนอมรัออกผมไปปลุกไม่ได้แต่เพราะที่ไหนเขไม่ได้ผลออกมานลยคือคนได้มันเหมือนเขาว่ายคนหมดกรรมแล้วไม่ได้เกิด เขว่าอย่าทนาทำลายคนใดยังมีกรรมอยู่คนนั้นต้องเกิดมันจะหมุดกรรมทำอะไรไม่ไดก็มันคาดแล้วมันจะมีกรรมอะไระนี่ว่าพระเนรเจ้านั่นนะทำกรรมดีไม่เป็นนะความชั่วเท็ก็ม <c oughs> ันไม่มีอะไรมันก็มีแต่ทุ๊ ก, กตาเท่านั้นเังแลม่มีท่านั้นอคนมันต้องเป็นอย่างนี้เจะทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อยังรับรองได้ทุกคนต้องไปประสบอย่าง น, น, นี้ถ้าหากลนวันเดียวนี้เนี่ยจวนจะบุดลมหายใจต้องไปถึงจะต้องฟังให้เป็นไว ถ้าเรายังไม่เป็นต้องฝังให้เป็นเอาไว้หลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นแต่หลวงพ่อไม่เคยได้ยินตำราเลยตอนหลวงพ่อเป็นโอทุกคนต้องมาที่นี่ไม่มาที่นี่ไปไม่ได้ทุกคนต้องมาที่นี่ ท, ไไ ท, ท, ทีเดียวถ้าจะลูกธรรมะก็มาที่นี่ไม่ลูกธรรมะก็มาที่นี่ลูกธรรมะก็ต้องตายไม่ลูกธรรมะก็ต้องตายมันต้องตายแท้ๆเลยแต่ว่าตายตัวนี้มันตายคนไข้แต่ว่าตายเสียคนตาย เนี่ยเืองหนึ่งคือปวตายเสียหัตายตายแต่เนี่ยมีลมหายใจนั่นคือคาพูดจนะเรื่องการปฏิบัติเราตัวเองเพราะตอนที่เราฟังการบนบัวกันตรงนี้เนี่ยคนทุกข์ยังไม่มีคนสุขยัไม่มีทุกข์ไม่ ม, ม, มีสุขไม่มีนะิพพานนะอย่างที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนิพพานเนะียแต่เราไม่เคยดูใจเรามัเป็อย่างไงไม่เคยดูก็สบายก็สบายอยู่ตรงมันไม่ได้เบิ่เข้ามาในตัวนะี้ พอดีเรายอ่อไปอันไปอย่างนี้หลักษณะนาไม่มีทุกไม่มีสุขในเดี๋ยวนี้ใช้เสืออยู่หลักษณะนานี่แหละมันมีอยู่แล้วอันนี้แหละพระพุทธธรรมให้อยู่นี่วันนี้เราไปทํางานอล้วก็ทํางานด้วยเสยือทํางานไม่หวังอะไรทํางานเพื่องานทําดีเพื่อดีเท่านั้นเองเขาว่าทํางานเพื่องานทําดีเพื่อดีนี่จะจะพูดอย่างไรทาเพื่อความดีอันนี้เพื่อความดีอันนี้เท่านั้นเองแต่ทุกคนได้มาในโลกนี้เจ้ามาทํางานอันนี้ แต่มันอยากได้ดีแต่ไม่ทําดีเลยมันทําเพื่อหวังเอาเลยมันก็ไม่ได้ดีแล้วเนะเขคือให้เรารู้สึกเฉยๆแล้วก็ยังทําหน้าที่ของเราต่อไปต่จริงๆเนี่ยความรู้สึกเราได้ขาดไปกสิ่งนั้นแล้วเรื่องดเกี่ยวแล้วในงานก็ยังมึงต้องหน้าต่างทาเดินเราก็ไม่ทำก็ไม่ได้เลี so girls, like ่ยมันก็ทิ้งหน้าที่ดิมลักษณะเราภายนองก็เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเราทำงานตามหน้าที่หน้าที่ทิ้งไม่ได้ค่ที่หน้าที่กับบ้านมันก็พักอย่างที่เมืองไทยเราเนี่ย ถ้าคนมีธรรมะหมดทุกคนแล้วจะไม่มีตำรวจทหารก็ไปเป็นเมืองขึ้นเขาทังนี้ตำรวจทหารก็ต้องมีที่การปกครองนะการปกครองประเทศชาตบ้านเมืองต้องมีที่จ็บปกครองด้วยสติปัญญาเนี่ยนะเจ้าประจติอย่างที่พอบ้านแม่บ้านเรามีเงินมีทองมากๆนะเอาไปทิ้งมาทางถนนผู้ร้ายมันมีเขาไปเอาไปมีเขได้เราต้องเก็บต้องกำลัแล้วก็สมมติตรงนี้งานไม่ทำงานก็ไม่แล้วงานไม่แลก็ ก็ข้างมือข้างมือก็ไปทํางานวันวันนี้จะมาทํางานอันน่าที่จะทําวันนี้กลับไปทําวันที่ทําไม่แล้วหนึ่งเมื่อกลางานไม่แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นก็ผลที่สุขเลยงานหน้าไม่ทาก็เลยปกติ ก, ก็เลยงานก็ไม่เดินบ้านมือก็เดอดร้องคือเราต้องทําให้มันแล้วแต่ละวันละวันละวันไปนะั่นเองเราจะไปทํางานพรุ่งนี้ไม่ได้ถ้าทําวันนี้งานวันนี้จะมาทําวันนี้ไม่ได้ดู อ, อดีตอ น, นาคต ต้องเอาปัจจุบันเป็นเกมไปทำห้าอกพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้นพ่าข้าราชการที่หยึดสังขารเนี่ยนะคะบางทีนะคะเราก็ยังปล่อยสังขารนี่ละสังขารยาเพราะใาที่สึกเราก็ายังเป็นห่วงไม่อยากให้เราเจ็บเราป่วยแล้วเป็นย่งนี<ม>้หรือป่วยอยู่มันก็จังเป็นห่วงไม่อยากให้เจ็บบ้างอกัน <c oughs> อันนี้คือการยึดใช่ไหมคะหยึด <c oughs> เป็นตามเรื่องของคือว่าเรามีคนจําเป็นเจ็บใครได้ไปตกแต่ง ห, หมอเท่านเราจะช่วยเราอะไรไม่ได้เป็นหน้าที่ของหมอหมอก็จะช่วยเรา แมอบให้เขาเลยเลยว่าล้างกายเราทั้งหมดเลยมอบให้หมอทั้งหมดเลยเราจะพยายามประคองแต่ไม่ให้มันทุกข์ตอนนั้นเอย่าให้มันมีขันเข้าไปยิ่โอโคเจ็บแขนเจ็บขาเหนื่อยหนักอะไรนะมก็เพิ่มทุกข์ขึ้นหมดยักให้มันเศรามันเศราไม่ได้เตี้ยวจะมอยหมกินยาต้องกินนั่นเรากินอันนั้นหมอควจะได้ยกเลิกก็กินไปกต่มันไม่ยกเลิกก็เลี้ยไปแต่เพียงบำรุงมันไวเท่านั้นมันไม่ใช่จะหายนะอันนี้เก็ไม่ได้เป็นหมอมันไม่ใช่จะหายนะมันต้อง กระทังมันไว้เลวเรือเราสุบูลเรือเรามันโศมมันแล้วว่าเหลือหัวหรือยังไงครับผมเรือเรือรั่วมันต้องอุดอุดไม่ไหวก็ปล่อยไปเพียงนั้นเองต้องอุดนะไม่อุดไม่ได้นะครับไม่อุมก็จมไปมันทำอะไรต้องอุดอุดกระไม้ถึงบังลมมันลมมันไม้เมื่อมันอุดไม่ไหวก็จมไปไปแล้วไป จะไปเย็บอย่าไปใส่ใจจังัดมากแค่ไหนใส่ใจใส่ใจมากไม่ได้ไไดไตึงนางคามรู้คนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครแลยมันไม่ตายตายทุกคนพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีดวงทิพตาที่เป็นผู้มีให้ว่าเป็นผู้วิเศษเดือดโลกกระตายได้แต่ว่าโลกกายนี่มันเป็นอย่างนี้เนื่อหนังสังขารนี่เป็นอย่างนี้เป็นวัดท่านเาเปรียบเอาไว้ มืองกับไฟเนี่ยเอาไปซุ้งไฟแล้วมันหมดไปหมดไปแล้วกับเป็นเท้าเป็นฐานไป็นหมดตรงนั้นแล้จะเอาไฟไมมมาเป็นพันที่ไหนวะเนี่ยมันไม่มีเสื้อเด็กที่พูดในอาการแต่อมันจะไปหมดกันนะมันไม่มีเสื้อแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอาการไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยเด็กมันจะมาเกิดทำมนี่ยหมืกับไฟเอาไปซุ้มันหมดแล้วหมดเสื้อแล้วไม่ฟืนกับหมดเสื้อแล้วไฟไม่หมดแล้วแล้วจะเอาฟืนที่ไหนมาเลยมอันคนนี่ก็เหมือนกัน ก็มันขาดกันแล้วที่เอาอะไรมามาเกิดเปนอมุไมันไม่มีคนเราไม่รู้อันนี้เลยตรงี้โอ้ยมันพูดยากต้องประสบการณ์เข้ามาเัี้ยถึงจะรู้ลงหน้าไม่ได้จะคาดที่แต่ไม่ได้มันต้องปฏิบัติทำความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะรมันจะรู้ไปจะไปถึงที่สุดมันคุ้ได้จรเมื่อมันถึงที่สุดแล้วมันก็รโอลักษณะนี้ทรงนี้เองนี่คําสอนของพระเจ้านิด เรื่องอื่นนั่นเป็นคําสอนของคนอื่นสอนมาแต่พระเจ้าสอนจุดนี้น่ะแต่ท่านว่าเรื่องอื่นท่านมาโนนจุดนี้เพราะทุกคนมจะมานี่ท่นว่ามันไม่มีทางไปคือทุกคนต้องตายนี่แต่ว่าอย่าให้มันมีทุกทา่านไม่ใช่ว่าทุกบัญชีการทุกเดี๋ยวนี้นี่นะ <laughs> อย่างที่เขาพูดให้ฟังยังไงจะพันล้านกับทุู้ไม่เจนน้อยอนยะ <c oughs> อืมอ มันจะพันอนุเฉลไปบ้านนั่นแหละคนทํางานาำปฏิบัติมันก็ไม่ง่ายเหมือนคนอยู่วัดนะครับโลกประธรรมคนอยู่วัดไม่มีงานคนอยู่วัดไม่มนาะคือว่าพวกนี้คนอยู่วัดไม่มีงานจะมีงานถ้าหักสิบถึงต้องพยายามสอนคนอยู่ในวัดต้องสอนถ้าไม่มาอยู่ในวัดไม่สอนไม่ศึกษาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาว่าเอาเปรียบฟังกลุมก็ได้นะกริงนะถึงนี้ จะไม่ไม่ได้สอนคนแล้วก็ไม่ได้ศึกษาอะไรกินข้าวหลวงเสียล่วงผ้าหลวเสียใส่ยาหลวงเสียนี่มันได้เสียเท่าไหรเจคนทํางานทางโลกนะครัว่าทํางานตามหน้าที่ทํางานเพื่ออะไรทางานเพื่อมนุษย์ทํางานเพื่อโลกทํางานเพื่อสันติทํางานเพื่อสงบนีคือว่าไม่ทํางานกระเด็นร้อนเด็กถ้าหาทุกคนมีงานทําแล้วงานไม่เดือดรบ้านหนูไม่เ ด, ดือดร้อนไหมโดยที่คนมันว่างงานจะเดีอดๆๆ การพูดนะครมันยิ่ขึ้นไอยิ่งมากแต่ไม่ต้องพูดพูดในน้อยเดีถ้าทํางานโดยไม่ต้องพูดก็ปฏิบัติได้ได้แต่ว่าน้อยๆแต่ว่าคนต้องรู้ด้วยกันถ้าคนคนทํางานไม่พูดคนที่ไม่รู้เขาไม่รู้จักต้องพูดพูดอย่างเป็นเรื่สมมุติถ้าคนนั้นรู้จักด้วยกันคุณจะจะพันคุณจะสริพคุณอเนี่ยปฏิบัติได้ผลทงานอันเดียกันรู้จักงานของเราเราเข้าไปประพฤติทางานไม่ต้องพูดต้องพูด ทำ ง, งานของเราเสรเ็จแล้วก็แล้วจะไปพูดใครพูดแล้วก็ไม่นี้วเรื่องอะไรใช่นห ม, มแล้วนคนที่ยังเทศหลวงพ่อไปทำ ง, งานคันถ้าพวกคุณพวกหนูไม่พูดให้ฟังหลวงพ่อจะทํางานเป็นไหมก็ทําไม่เป็นนะก็เจ้าพูดตร ง, งแม่มเขาตัคนไม่รู้ตรงแนะนำให้รู้ก็ยังพูดเขาพูดคําดีน ะ, ะมันจริงของกู้เมื่อเราแนะนําแล้วก็มีสองกลุ่มนะคะกลุ่มนี้ก็เชื่อเหมือนกันอีกลุ่มนี้ก็ไม่เชื่อเขาเป็นธรรมการ คน ไ, <pied vrai? S 1> ไม่เชื่อเขาปล่อยไปเพราะนั่นว่ามันไม่เชื่อนั่นเขาจะดึงเราไปอย่าให้เขาดึงเราไปเพ่ออย่าให้เขาจับเราอย่งที่คุณคันถ้าเขาจับเราเราลำบากเราจับเขาสบเมื่อเขาจับเราเริ่มดึงเขาไม่เชื่อบัรเนียบางทีเขาหาเรื่องให้ค่ะใช่ค่ะหาเรื่องนะเนี่ยอย่าให้เขาจับเราเพราะคาเดียวมันมันพัวจะมันกินคนพัว คำพูดในหลักของพุทธศาสนาพูดคําเดียวใ น, น้นมันกินกุ้งไปหอมมากเือนถ้าคนมีปัญญาแล้วฟังน้อยเหมือนอกถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วฟังมากฟังมา ก, มากมถ้าพวเราคือยังไงธรรม ญ, ญาติสบายแต่คนที่รู้คนที่ไม่รู้ก็ยากคน คนไม่รู้มันก็ธรรมดาเราพูดหลายครั้งค่ะถ้าคนี้เขาหาเรื่องมาให้เราเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยให้อยู่เรื่อยอย่างเงี้ยค่ัตอนเราต้องให้แล้วมันเรื่องมันก็ต้องมีอยู่เรื่อยก็ต้องมีเลยก็ต้องแล้วก็ให้อภัยเขาไปให้บางอย่างแต่บางอย่างเราก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดต้องพูดแล้วก็เฉยไปคือให้อภัยแล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาจึงพูดเขาไม่รู้เขาจึงทำเมื่อเขารู้แล้วเขาไม่พูดเขารู้แล้วเขาไม่ทําเขาก็มองหน้าแเ้าเขาทําไมจึงไม่พูดอย่างนั้นกันเรา เขาไม่รู้หรือเขาไม่รูแล้วเขายัางพูดเอาไว้คนเกิดมาระดับสิตเปัญญย่างนี้หมดครับบางทีเขาดีเรื่องนั้นเราอาจจะไม่ดีเท่าเขาเลย น, นบางทีเขาไม่ดีเรื่องนั้นเราดีกว่าเขาก็ได้ถูกไหมถ้าหากรู้จั ก, กจคิดจากนิดเดียวจะแล้วกับใครได้คือบางทีเขาไม่รู้จริงๆบางทีเขาไม่รู้อย่างนี้เขาจะอาจจะรู้เรือ่องอื่นได้ด้วยเขายัางเปรียบไปตัวเอานําคุณกับนำสายผสมกันอธิบายให้เขาฟัง คันอธิบายให้ฟังไม่เข้าใจเรื่องคำว่าน้ําตาล้นแก้วน้ามันคุณมากเปลี่ยนไปน้ําใสเขาไม่ได้กระปองไปคือเราอธิบายให้ฟังน้ําคุณมัก็ค่อยจานลงไปน้ําใสก็ค่อยผสมก็ไปมันก็พอไปได้อธิบายก็ค่อยฟังคันอธิบายทงสามสี่ครั้งล้วฟังไม่รู้เรื่องกับปอนไปนานก็ตกไปเลื่องคว่าไม่ทิ้งสารพิเราเขาไม่ได้ทิ้งแต่ไม่ได้จับเขาไม่ได้เอาขามางก้อนมาคุณไม่ได้ไมด ถาอางนัก็ติดตามเขาอยู่เรื่อยไม่ได้นจะผิดอย่างที่คนทำํำผิดเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้แต่รู้อันนั้นเนื่อกวามันจะดีออเลยมันค่อยทําเข้าไปเลยมันผิดเราก็ต้องระวังอีกทำมองหนะึ่งอันนั้นมาาันจะเปผิดมันจะซ้อนตั ว, านะวามาอย่งนั้นเขาต้องมองดงอย่างว่าคนผู้มีปญญัปญญาต้องมองไกลคนมีปัญญาต้องมองมองไกล้ คนปัญญาโน้ตัวมองใก ล, ใกล้เนี่คือเรื่องว่าพูดให้ฟังคนมองใกล้คนมองไกลคนรู้เลวคนรู้ชา้าเร่วสติปเป็นไม่เหมือนกันบางทีพูดให้ฟังคนหนึ่เข้าใจบางทีไม่เข้าใจพูดแล้วครั้งเลยคนเข้ า, ใ, ข า, ใ, ขาใจแล้วก็พอไปบางทีพูดให้ฟังจนตายมันก็เอาผิดกับเราอีกด้วยหาเรื่องอย่างนี้เป็น เสรมนิดนึงฮะอย่างเมื่อกี้พี่ว่าะเรื่องทํางานนะฮะก็ทํทำไปเรื่อยทีนี้ผมว่ามันมนีมันแตกต่างทยู่การทำไปเรื่อยๆมันก็คงมีสองแบบอยู่ทีกับแบบหนึ่งทำแล้วไม่รู้ไปทําอย่างที่เคยทําตอีกอย่างหนึ่งทำแล้วรู้ไปเรือยๆ ค, คนสองอย่างนี้ก็ต้องม ไ, ไ, ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันะเขาไม่รู้เขาจึงทํทำ<ช>ทําแบบไม่รู้แต่รู้ีแต่มันแบบไม่เู้ คือเขาไม่มองไกรคืออย่างที่เนยรู้อย่างไม่รู้มันรู้อย่างไม่รู้คือรู้อย่างสมัธนาเราควรจะทำงานรู้อย่างสมัธนมันไม่ใช่รู้อย่างวิปัสนาสมถะกรรมฐานเราเป็นอุบายสงบวิปัสนาไม่ใช่สงบวิปัสนาเป็ว่ารู้แจ้งรู้แจ้งมันจะสงบคันท่าไม่รู้แจ้งมันสงบไปได้คือทํางานทำไม่ไม่รู้ก็ทําไปเรื่องงานแล้วแก้มันไม่มันไม่ดีคือคันรู้แจ้งเราทาไปมันรู้นอนเนทําตัวนี้มันต้องคนแก้ตัวนีงนอนรู้แจ้ง รู้แจ้งโดยที่ว่ามันจะมาแทซดแซงไม่ได้เพราะฉะนั้นนสงบแบบสมถะอันนี้สว่วนบะยุติธรรมสงบแบบไม่รู้รู้ทำงานเนี่ยทำไปเลยหน้าที่ทำเนี่ยทำไปเห็นว่าเราเป็นตำแหน่งอันนี้ต้องทําอันนี้ไปเลยมันผิดก็ทําไปมันก็ผิดไปทำแบบไม่รู้มันผิดก็ดกดกจะให้ผมทำอะไงผมทำไม่ได้อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเขาจะให้เราช่วยเจ้าหน้าที่เราจะทําได้นะหน้าที่เราจะทํางานอันนี้เขียนอันนี้เขียนได้เต็ม เมื่อเราทํามันผิดเนี่ยเขาไม่เห็นดีแล้วจะทํำมันทำมันก็ผิดอันนั้นทํางานให้มันรู้อย่างนั้นที่พูดนี้เข้าใจคืออย่างคุณอันสลีคุณจะรษพันคุณอะไรเนี่ยก็บดูนี่ว่าให้หลวงพ่อทำอันนี้ทำได้เนี่ยทําได้หลวงพ่อทำได้เต่มันทํามันผิดนลวงพ่ไปทํามันไม่ดีหรือไม่แม้แต่คันท่านหลวงพ่ทําแบบไม่รู้เพราะสามคนไม่เห็นดีจะทํามันทำไรทํำได้ควาเสียอันนี้เมื่อเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องอธิบายให้พวกคุณฟังมันทํอย่างไรอย่างไรทำแบบรู้อะไร ทำแ่้งได้ประโยชน์ถ้าีค่ามีคุณขึ้นมาทำให้มันมีประโยชน์ทำไม่รู้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เสียกระดางเสียมือเขียนลงไปเียจิตทำให้มันพูดให้เขาฟังเมื่อเขาไม่ฟังแล้วก็เอาไว้ที่ได้ผมเนี่ยนะคุณนะผมไม่มีปัญญาจะทำเลยคุณแต่ผมทำได้เป็นหน้าที่ของผมจะผมทำแ็บผมทำไม่ได้เพราะมีอะไรมีก็ต้องพูดอย่างนี้นะไม่ใช่เราไม่ช่วยเราช่วยแจะช่วยในทางที่ผิดกต่ไม่ช่วย ช่วยในทางที่ได้ทที่ดีทำทำแล้วก็รู้มอนก็หมายถึงว่าทำไปก็รู้สึดตัวรู้สิดใจติดคอร์นด้วยรู้ว่าผิดหรือถูกด้วยก็ต้องทำงานติดคถ้าทํางานไม่รู้ผิดหรู้ถูกมันก็เป็นสัตว์คือเป็นสัตว์เอ็นคนนะสัตว์เนี่ยมันรู้จักทํามะแต่มันไม่รู้ในขณะที่มันทําผิดถูกมันไม่รู้คนก็เหมือนกันกําลังทำงานอยู่เนี่ยรู้ว่าทําำไ่ในขณะทำงานนี่มันผิดมันถุนอย่างนี้รู้ความรู้สักสัตว์ไม่ใช่โจวคนเป็นตัวใจเป็น ที่เราพูดว่าซักเนี่ยซักในรัศมีมันเดินได้กินได้จะมันรู้จักว่ามันเดินมันกินได้มันไม่รู้ว่ากินมันผิดหรือโดยมันผิดหรืออย่างไรเลยในขณะที่เราทํางานนี่ก็เนกันเราทําได้เรารู้สึกอยูเขียนหนังสืออย่างนั้นจะรู้สึกว่าทำอันนั้นอันนี้ถูกแต่มันผิดมันถูกในในขณะนี้เนี่ยมันไม่รู้ตัวนั้นถ้ามันรู้ตัวนั้นมันอยาจะเป็นมนุษย์ถ้ามันไม่รู้นั่นก็ว่ามันมันอยากเป็นคนเป็นซักในรัศมีคนมันไม่ได้อายเลย เรื่องของน่าอายแก่ใจมันน่อายแก้ใจการจะเขียนหนังสือตัวนี้ไปเนี่ยมันผิดตัวนั้นคุณลอนเนี่ยเพราะเขาพวกเขาไม่รับรองแ้่ ย, ยังเคื่อนทัพไปก็ว่าไม่มีความละอายเขาเป็นสัตว์อิรักนมันเป็นนึกคําพูดในหลักพระพุทธศ า, าสนานลึกคือให้รู้จักในขณะทำมองถึงจิตใจเราทำแล้วมันมีประโยชน์ไหมหรือมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีความละอายทํานไปเขาเป็นสัตว์แต่ไม่ใช่คนเต็มใจหนึ่งเต็ม เขเปรียบเทียบเนมันสมมุติใจไม่มีความละอายนั้นแ่ะเป็นสัตว์เพราะสัตว์ในศาสนาไม่มีความละอายครับว่าทำไมเองให้มีความละอายสิ่งที่เราทําผุดเขรู้มันก็เขาไปรักของกันไปกินเหล้าไปเป็นอะไรนี่ยเป็นเล่หกลรเนี่เขารู้นี่จะไม่รู้ว่าความผิดมันซ่อนอยู่นะั่นเขาว่าเนื่อว่ามันดีนทําไปมันผิดนะนักวัด ว่าโอ้พอได้จะกินเล่าอ๋อกินล่ามานันให้โทษยังไงคนยังไงเนี่ยครับว่าเห็นใจตัวเขาเป็นมนุษย์หักห้ามได้อะอายบางทีคุณจะพูดอันนี้มันจะผิดคูณจะเขียนอันนี้มันจะผิดเพราะเป็นมนุษย์มีคนละอายก็พระใจใจคนติ่งคื อ, ใ จ, อใจเราไม่รู้ใจเรานี่กปะมึงควบคุมตัวเองไม่ได้ประโยชน์กิจที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ทาา่าน มันมเห็นใจเ่านลึกมันไม่มีอื่นไกน่ในคำว่าพระอย่างที่เราบอกพระเป็นปผู้สอนคนเท่านั้นเอง<ม>เขาทําผิดแล้วก็สอนเขาเขจะเอาก็าเอาไม่เอากขาแล้วไปถ้าเขาไม่เอาบังคับยัดเยียดเขามไม่ได้อีกแล้วเขาไม่เอานี่จะทำยังไงขันธ์ท่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปสอนพปฏิวทัตได้สิกสอออ็ต้องอยู่ร่วมกันไปอย่างนั้นจะนั่งทําผิด ไ, ไปเรื่อยๆคนสอนก็สอนไปเ่อยๆก็ต้องสอนไปเรื่อยๆปฏ่ว่ายัดเยียดไปได้ พระพุทธเจ้ากับพระเจ้าธรรมกันย่างนั้นไปก็ต้องรู้จักอย่าั้่โอ้คาพูดเนี่ยเป็นหน้าที่พูดเท่านั้นเองพูดดีพูดดีเพื่อดีเขาพูดดีเพื่อดีเนี่ยมันจะว่าอย่างไรมันไม่มีคําพูดแล้วจีมีคําพูดอะไรมากกว่าพูดดีเพื่อดีทําดีเพื่อดีเท่านั้นเองพูดดีแล้วคนทําไม่ดีมันีองแล้วพูดให้คนนั้นดีเท่านั้นถ้าเขาไม่ดีก็ยัดเยียดไม่ได้ เราจะหาทางลงโทษเขาได้ไหมคะเพื่อจะให้รู้ับเชื่อฟังอ้าวลงโทษไม่ได้เนาะคนลงโทษกันไม่ได้ เ, เขาจะโทษเขาเองเอโทษเขาก็จะให้เขาเองนะครับ เ, เป็นผลที่เขาทําจะได้รับเองเขาจะอา้าวให้มันเป็นอย่างนั้นก่อนเราไปลงโทษเขาเขาผิดเราอีกตัวเราผิดเขาเลยเขาไม่เราไม่สามารถที่จะลงโทษคนได้ให้โทษของเขาทำของเขาแหล ะ, ะมันยังลึกๆเอาสมุดเราเดินไปเดี่ย น, น้ําปักเราไม่ใช่เราให้น้ําปักเขาเราเขาไปเยียดน้ําเองเขาก็ปักเขาเองไม่ได้ เข้าใจว่าน้ำตักน้ำเสียนน้ำไม่ใช่ว่าเป็นนั่งที่นั่นเรารู้จักว่าที่นั่นเป็นเสียนเป็นน้ำเป็นนั่งที่นั่นเราไม่ได้บอกอยางนั้นคุณเป็นนั่งถ้าคุณมมีเสียนหรือน้ำคุก็ต้องตักคนที่เมื่อเสียนน้ำตักคุณก็เพราะคุณนั่งที่นั่นก่นมีน้ำฝักถ้าคุณรู้จักว่าที่นั่นเป็นน้ำแล้วคุณจะเป็นนั่งทำไมนะควับเรารู้จักว่าน้ำเอาเป็นนั่งที่นั่งเราไปลงโทษเขาก็เป็นโทษเบียดเบียนตนไม่คนอื่นเราเห็นว่ามันไม่เป็นเสียนเป็นน้ำนั่แค ถ้าคุณทำนั่นไม่ผิดนะบอกเท่านั้นเองแล้วคุณจะทำกันได้เรื่องของคุณคนทำไปมีติดกับคุณปฏิบัติปฏิกรรุ่งคุณทาผิดกับคุณเลยรับทษเองพระเทวทัตพระพุทธเจ้าบว่าวไปเหอย่างนั้นพระุเจ้าไม่ได้สพระเทวทัตจเห็นเองพระเทวทัตก็จบงพพระเทวทัตเองคกรรมกรรมนะดับผิคุเอง อ๋อเราที้แน่ได้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะไปลงทษพระเพื่อพระยาก็ให้เขากลับมาดึกคิดว่าเราเนี่ยปลาธนาดีเลยนะก็ไม่ได้เจ้าห้ามไม่ใช่เลยห้ามแต่เราไม่ได้ห้ามมันอย่าไปทําลยนะเนี่ยเราห้ามเราบอกเขาเนะนในทางที่ดีคือยังที่วากินอาคาตโลตถาคตาภาพตถาคตไปแต่เพียงพูดเนะนเท่านั้นเองที่ทางนั้นเองการกระทํานั้นเป็นของมถอกเธอทำดีมันก็ผลดีเธอทําผิดว่าผลผิด่นั้น เพว่าทากำังทอย่างนั้นมันผิดดีการทำน้นมันถูกต้องเท่า น, นั้นเธอจะเลือกเอาอย่างไรเ่อมเดอวิ่งไหลไม่ได้แต่เมฆเมฆเราเขาไม่ทาแลวไม่ได้คุณไม่ทำอย่างนี้นจะเอาผิดทำไมได้เขาเขาโอ้ยหลวงพ่ อ, อไม่ได้เรียนหนังสือทางโลกมาการาได้เรียนนังสือทางโลกมกกันอย่างที่เขาเคยพูดกันเอาไว้ น, นี่เป็นเรื่องปาญลัมปลาเดี็กพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมีคนคนหนึ่งมีผัวมีเมียมีลูกชายคนหนึ่งเกิดมาเ็ด็ชายคนหนึ่งพอแม่นะเนี่ยจะคุณดีรักลูกมากเกิดมาก็ไม่เคยใส้ลูกเลยลูกชอบอย่างไงก็ต้องให้ไปกัดอย่างเงี้ยต่อมาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สอนไม่ได้มันก็เป็นคนเกนไปคนเกย์ก็ต้องกินเหล้าเมาสุลาคบอันดาพานไปนะก็เลยไปรักซิ่งรักของเขาพอได้รักส้องมาขัจังได้ จับได้ไปใต้สวนตัดโทษประหารชีวิตเนี่ยเขาได้กระทบประหารชีวิตก็เลยพอกปหารชีวิตแม่พอ่อพอตายล้วจะเดยียแม่ก็เลยไปถามทําไมไปฆ่าลูกสันไม่ได้ฆ่าทําไมไม่เป็นค่าคุณไม่ค่าลูกมันจะตายตัวเพียงกฎหมายบอกให้ถามไม่ใช่สาค่ากฎหมายเขาว่าโทษประหารชีวิตฉันเป็นคนักษากฎหมายคนนดยไปออกกฎหมายไปถามไปเอาไปถามคนออกกฎหมาย ทำไมได้ออกกฎหมายให้ฆ uh. ่าลูกสัลย์ไม่ได้ออกกฎหมายฆ่าลูกคุณบอกว่าออกกฎหมายไม่ให้คนทำผิดนี่เพราะงั้นมันให้ลูกสมน้าพ้ำทิศนะไ้ออกกฎหมายหรือเปล่าเทียงกันไปกันมาแต่ไม่ม้ลงร้อยตรนี้ไม่ใค่บอกออกกฎหมายของใครพระอะไรไปเทศ่ดวกันคระัวเดียวผู้สอนไม่ได้ฆ่าพระเลยเทียงกันอย่างสองคนผู้พิสูจน์อะไรคนออกกฎหมายหนึ่งคนเลยใครเป็นคนออกกฎหมายมันเรียกว่าใคร ย่างละพันเงินหลักก็สภาผู้แทนสถาผู้แทนน ะ, ะครับไปเป็นหมายก็ไปเทียงพูกนั้นอีกนเพื่อนกับไม่ได้ออกกัข้าวขงเทียงกันไปกันมาอะไรอย่าเนี้ยพระอะไรมาพระหมายแล้วก็สถ า, าและธรรมนมูนสถาผู้แทนสถาผู้แทนเลเลยเชิรมาตัดสินให้ผมได้ยายคนนี้อะพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพวกนั้นเขามันมีธรรมะของใจคนนี้มันนำกำลักมาเพื่อมอ๋อไม่ได้ยังไงกันเราเลย อ้ไม่ใช่เขาตัดสินไม่ใช่ตัดสินประหาีิตของคุณลูกคุณเขาออกกฎหมายไม่ได้ออกกฎหมายค่าลูกคุณท่านนะค่าลูกคุณทําไมวะฉันฆ่าลูกฉันนี่ยไปการรักลูกโตคุณไม่สอนลูกคุณนี่ลูกคุณอยู่นั้นถ้าคุณเกิดขึ้นมาคุณเกิดขึ้นมาที่ล้วเขานย่คุณต้องสอนเขาติออกไปบากเลยลุงแล้วก็เด็กพิจารณาคนที่ไม่เข้าวัดคนมีอัตตาพาจิตไม่เข้าวัด ได้จะจับใจคนรักตั้งเนี่ยคือวตัวเองค่าตัวเองจะไปหาว่าคนอื่นฆ่าตัวเองทําชั่วในนรจะวัดตัดสินว่าอย่างที่พูดเรยนพักหรือว่าคนเรียนตัดสินซื้อให้พระเทวทัตเาเทวทัตทำอยางนี้ต้องรับผลวันนี้อีกนางคนนี้ก็ไม่สอนลูกเลยลูกมันก็ทําเลยนะครับก็นางคนนี้สร้างคนไม้เขาทําเขาฆ่าเขาเพราะเขาทำผิดคนอื่นจะได้ค่าท่คนอื่นเขากระ่าทางโลกไปทางนั้นจะฆ่าคนได้ ในคำพูดขอ ง, องพ่อแม่ปุญาต์ารได้คเคยเล่าให้ฟัง